เจนมาหาบัวสมัยก่อนนะมีปัญหาธรรมะเนี่ยเขียนไปถามได้เขาจะเขียนตอบมาคราวนั้นท่านตอบมาบอกว่าไอ้ยิบเนี่ยอย้ตอนเนี้ยเราเพิ่งไปผ่าตามาท่านผ่าตาต้อต้อกระจกเพงคนแก่เราเขียนหนังสือยาวๆไม่ได้เอานังสือไปอ่านเองส่งทำเตรียมพร้อมมาให้เล่มเล่มเบลอร์เลยนะเอามาถึงแล้วโอ้เล่มใหญ่อ่านกี่วันจะจบเนี่ยไม่ชอบอ่านหนังสืออ่านแต่พระไตรปิฎกนะ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 มีมีดลึกลับอันหนึ่งจออยู่ข้างหลังท่านรักหลวงพ่อมากนะหลวงพ่อก็รักท่านที่สุดเลยหเหมือนพี่ชายเราแท้ๆเลยเป็นห่วงเรารักเราสุดๆนะค่อยเร่งนะเร่งเอาเร็วๆเอาเร็วๆ เ, เ, เ, เ, เราก็หืดขึ้นคอเลยนะหืดขึ้นคอตื่นเช้าขึ้นมาก็แระจนกยโยมอยู่ที่สวนโพแพะจนกยโยมยังดีนะไม่เยอะขนาดนี้ถ้าเยอะขนาดนี้ไปไหนไม่รอดหรอก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 ตอนเช้ามืดหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ยากหรอกนะถ้ารู้หลักนะแต่ถ้าไม่รู้หลักนี่ยากสุดๆเลยรูปลุคลำคลผ่านไปเดือนสองเดือนสามเดือนมาอีกแล้วมีข่าวมาจากป่าละอูได้ยัง <c oughs> โอ้ยข่าวมาที่ฟิททนะีฟิทธีหนึ่งก็รวนไปทีหนึ่งนะ <c oughs> นี่เรียกว่าความรัก ความรักของพี่ชายนะทําให้น้องชายปิด จ, จัด <c oughs> ถพอเราภาวนาพอเออสบายสบายแล้วเราก็กะว่าเราก็อยู่ของเราอย่างนั้ น, นสบายๆนะ <c oughs> พี่ชายก็ไม่ยอมให้เราอยู่สบาย <c oughs> สั่งให้ย้ายมาอยู่นี่ส่งให้ย้ายย้ายมารับชะตากรรมแต่เดิมตอนอยู่สวนโพอ่ะ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 พอกลับบ้านหมดแรงกวนนะตัวจริงโหลกมาแถมบวกดอกเบีย้ยด้วย <c oughs> ให้เก็บกวนเนี่ยต้องมีดอกเบี้ยร้ายพอมาหัดรู้สึกรู้สึกนะตัวเองเปลี่ยนเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานมีครูหรือเมื่อวันวันศืนอ๋อนี่เหรอเออครูนี่สิเม <c oughs> ื่มอวานร้ายกาดลูกศิษย์บอกชอบตี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 ด้วยกับพระแล้วก็ขี้เกียจจุดอ่อนของโยมเลขี้เกียจชอบผลัดวันประกันพรุง่งเรียนๆพอพอทำเป็นนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแก่ๆ แ, แล้วจะกลับมาทำอะเงี้ยดีชั่นงานมา ก, ข อ, กขอเลี้ยงลูกก่อนเดี๋ยวลูกโตแล้วจะมาทำโอ้โหพอลูกโตมันก็มีหลานมาให้เลี้ยงอีกนะรวยแล้วไม่ได้พอนาะนะสู้กับโยมนะเหมือนจับปูใส่กระด้งเพี่ชายหลวงพ่อท่านเลย